เป็นตาสติปัญญาเห็นครับอาาเห็นกายมีคำถามไมเปล่าเห็นกายเราเอามือเราลองเอามือวางไว้บนเขา่าเห็นไม่มีคำถามอีกมือเคลื่อนลู้เห็นแต่เป็นราษาที่ซ้ำลงไปกับลู้เห็นครบเห็นเคลื่อนมือไปมาลู้เห็นไม่มีที่ลับไม่มีที่ลี้เรื่องของกาย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 เพื่อให้ได้นิสัยได้ปัจจัยมันมีนิสัยมีปัจจัยตรงนี้ด้วยมันหลงอะลู้เนี่ยมีนิสัยแล้วมีปัจจัยแล้วไว้มีนมินสัยมีปัจจัยเพื่อถึงวัดผลนิ้ผ่านมันก็จะไม่มืดมนต่อไปจะเป็นกระแสไปกอะแสแห่งความรู้ลู้เห็นมันหลงแล้วหลงอีกก็รู้แล้วลู้อีกก็ชานาญตรงนี้ด้วย ตำนานตรงที่มันหลงตำนานตรงที่มันรู้อือแลกอาจจะเปลี่ยนเหมือนกับหน้ามือหลังมือตัวไปเม่ต้องไปมีเจตนาตรงนั้นมันเป็นไปเองมันเปลี่ยนของมันเองความถูกต้องความเป็นประมัดมันล้อกเป็นในตัวของมันเองไม่ใช่ไป อ, อ่อนดื่นมาเป็นปรามัดในความหลงก็ ม, มีความไม่หลงความหลงไม่ใช่ปรมัด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 สำคัญมั่นหมายทำซื่อๆทำรุ่นๆมีคำรุ่นๆรู้ซื่อๆเข้าไปให้มันตรงๆเข้าไปปฏิบัติตรงมันหลงกัรู้มันตรงต่อกันในความหลงมันมีความรู้เรื่อปฏิบั ต, ติตรงในความรู้ก็เป็นการออกจากทุกปฏิบัติออกจากทุก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 ตรงไหนเที่มันหลงมันเกิดความํินานตรงนั้นมันใส่ใหญ่ไหลงข้า้งเดียวตัวหน้าก็ชานาญไปเลยันที่ไม่เคยเดินทางก็ไม่เห็นความหลงไม่รู้จักผิดคนไม่เคยทำงานก็ไม่รู้จักผิดอารที่ทางานต้องผิดต้องหลง